บุก <Book> <55. S 3> ทูห้าสิบห้านโนจการทำงานคาร์คุณทำอาชีพอะไรคะชกลชมาชีสสามีดิฉันเป็นแพทย์ค่ะ شوہر من پ ز ش ک است ری ش ن ทํางานเป็นนางพยาบาลวันละ 2-3 ชั่วโมง من نیمه رقت به عنوان پرستار کار م ی ک ن م อีกไม่นานเราจะได้รับเงินบํานาญ به زودی حقوق بازنشستگی ما پرداخت م ی ش و د แต่ภาษีสูงมาก اما مالیات ها زیاد هستند و และค่าประกันสุขภาพก็สูงแอบีไม่ยาเ ی อร ا มา م ี ن าลอสหนูอยากเป็นอะไรในอนาคต تو มี خواهی ชคอเร่เบชหนูอยากเป็นวิศวกรแมนมีข้อมมุฮันส หนูอยากศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมันมีข้อห้ามดาร์ดอนิชโก้ทัศ์ศิลโนมดิฉันเป็นพนัก ง, งานฝึกหัดมันคารออมูสฮัสตดิฉันมีรายได้ไม่มากดารอมาดามซิออตนีสต์ดิฉันฝึกงานอยู่ต่างประเทศ من در خارج از کشور کار موزی می کنم. نیک هویه گ و ن دیشن. این رئیس من است. دیشن می پرسید. دی. من ا ر ه ا ی م ه ب ا ن ی دارم. ما ه ت ی می د ا ی م ما ه ر ا ی ر ا ی م به ر ا ی د ا م ا ب ی ا ت ی د ا ز م م ت ی ی ر ا ت می ر د ا ز م ا به ت غ ر ا ت م م ه ر می ا ز ی به ر ا می د ا به ر ا می د ا به ر ا می ر د ا ی م ه می ر و ی م ดิฉันกำลังมองหางานมันได้โจสยคอร์ฮดิฉันว่างงานมาหนึ่งปีแล้วมันเ سال است که بی ที่ هستم ที่ประเทศนี้มีคนว่างงานจำนวนมากด ر این کشور بی ร ا ر زیاد است การุณาไปที่